หลังจากตรัสอย่างนี้เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาในข้อ753ถึง755อ่านพร้อมกันยังกินจิดุขังสัมโพติสับบงอาหาระปัจจยาอาหารังนิโรเทนะนัตติดุขัดสัมพโวเอตามดีนางยัต เอตามดีนวังยตวาดุขังอาหารปัจจยาสบหาเรปรินยายะสบหาระมะนิสิตโออาโรขยังสัมมะดัญญายะอาสวานังปริคขยาสังขายเสวีธรมมัดโถ สังขยันโนเปติเวดคูติบาลีข้อ753ยังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติสับบางอาหารปะปัจญจาอาหารานางนิโรเทนะนัตติดุก ข, ขัสะสัมพโวทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัย เพราะการดับสนิทไปของอาหารทั้งหลายความเกิดขึ้นของทุกข์ย่อมไม่มีบาลีข้อ754เอตามาดีนวังยัตวาดุขขังอาหาระปัจจยาสัวาหาเรปริญญายะสัวาหาระมะนิสิโตบุคคลรู้จักโทษอันนี้แล้วคือทุก เกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยได้รอบรู้อาหารทุกๆชนิดแล้วก็เป็นผู้ไม่อิงอาศัยในตัณหาทุกๆุกอย่างในอาหารทุกๆอย่างนะเอตามาดีนวังยัตตวายัตตวาก็แปลว่ารู้รู้โทษอันนี้แล้วคือยังไงคือทุกเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยลุกขังอาหารปัจจยา สัปบาหาเรปริ ญ, ญายะได้รอบรู้อาหารทุกๆอย่างปริญญายะคือรอบรู้รู้จักทุกแง่มุมแล้วว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าปริญญาในอาหารทุกๆอย่างที่พูดมาเนี่ยนะรู้จักมันทุกแง่มุมแล้วสัปบาหาะมะ นิสิโตเป็นผู้ไม่อิงอาศัยอาหารทุกๆอย่างอย่างนี้พอรอบรู้อาหารทุกๆชนิดแล้วก็จะไม่อิงอาศัยนะเพราะว่ารู้ว่าถ้าไปอิงอาศัยมันปั๊บเป็นไงมันมีโทษก็คือจะเกิดกองทุกข์ขึ้นก็ไม่อิงอาศัยด้วยอํานาจตันหาและด้วยอํานาจทิฏฐิบาลีข้อเจ็ห้า อารคยังสัมมัดัญญยยะอาสวานาังปริขยาสังขายะเสวีธรรมมัตโถสังขยันโนเปติเวดคูบุคคลรู้โดยชอบซึ่งความไม่มีโรคเพราะความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายอารมยังคือความไม่มีโรครู้ความไม่มีโรค โรคก็คือของที่มันเสียดแทงพวกนามรูปกองทุกนี้มันเป็นของเสียดแทงอารคยะสิ่งที่ไม่มีความเสียดแทงใดๆก็คือพระนิพพานนะส ม, มะดัญญะแปลว่าดูโดยชอบรู้โดยถูกต้องบุคคลรู้โดยชอบซึ่งสภาวะที่ไม่มีโรคอาสวานังปริคยาเพราะความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลาย จึงเป็นผู้พิจารณาแล้วก็เสบคุ้นสังขายะคือพิจารณาพิจารณาให้เห็นว่ามันมีแต่ขันมีแต่ของเกิดดับเสวีก็เสบคุ้นทำความคุ้นเคยบ่อยๆให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นทำบ่อยๆนึงๆ่งเนื่องพิจารณาแล้วเสพคุนทำให้มันคุ้นเคยนะ ธรรมัตโถเป็นผู้ดำรงอยู่ในธรรมะสังขยันโนเปติเวทคูก็ย่อมเป็นผู้ไม่เข้าถึงการนับอีกเป็นผู้จบเวทแล้วสังขยาแปล ว, ว่าการนับโนเปติแปล ว, ว่าไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงการนับอีกไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นคนไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นเทวดา ไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นหมาเป็นแมวอย่างเนี้นะทานองนี้การนับก็คือสมมติบัญญัติชนิดหนึ่งฉะนั้นเราทั้งหลายตอนนี้ก็เกิดมาแล้วก็ได้ถึงการนับว่าเป็นมนุษย์สักหน่อยก็ถ้ายังไม่หมดสิ้นไปก็จะได้ถึงการนับว่าเป็นหมาบ้างเป็นแมวบ้างดีหน่อยก็เป็นเทวดาเป็นพรหมอย่างนี้นะนับนับไปคนนั้นคนนี้ทีนี้ท่านที่ เป็นผู้รู้จักซึ่งความสิ้นไปของโรคความไม่มีโรคโดยชอบเพราะความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายเป็นผู้พิจารณาแล้วก็เสพคุ้นในธรรมดำรงอยู่ในธรรมก็ย่อมไม่เข้าถึงการนับอีกเป็นผู้จบเวทแล้วเวทักคูจบเวทจบเวทรู้ทุกเรื่องจบทุกเรื่องแล้วไม่ต้องมีตัณหาเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาใดๆอีกต่อไป ที่เราเกิดความรู้ขึ้นมาก็เพราะว่ามีผัสสะนะพอผัสสะเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดเวทนาพวกที่จบเวทก็คือเมื่อมีความรู้ใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมาอีกอันนี้เรียกว่าจบเวทจบเวทจบความรู้แล้วไม่ต้องหาความรู้อะไรต่อไปอีกดูเหมือนง่ายเหลือเกินนะจบเวทเนะี่ย ที่ความรู้มันเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยไงนะก็เท่านั้นแหละจบเท่านั้นแต่เรามันไม่จบเท่านั้นน่ะดีมันอะไรก็ไม่รู้มาเป็นขบวนขบวนทีเดียวมั่วไปเลยอันนั้นคือความไม่รู้นั่นแหละถ้าความรู้มันก็จบเท่านั้นแหละนั่นแหละเรียกว่าจบเวทนะง่ายไหมง่ายแต่ถ้าความไม่รู้เนี่ยมันจบยากมันไปไหนก็ไม่รู้ยาวเป็นหางว้าวทีเดียวนะครับต่อไปในหน้าที่หก หมวดที่12นะครับฉะนั้นเวลาอ่านๆไปแล้วถ้าท่านเข้าใจหมวดหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจหมวดนั่นแหละนะอันนี้พระองค์แสดงไว้ลหลายๆหมวดเพื่อให้ลองพิจารณาดูเราเรียนมาหมวดแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังงงบ้างอะไรบ้างเรียนหลายๆหมวดก็เออเข้าใจหลักแหละพอเข้าใจหลักไปอ่านที่ไหนก็จะได้รู้ว่าอ่ามันมีอยู่สองข้างนะถึงจะแสดงไว้ข้างหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมีอีกข้างหนึ่งนะทํานองนี้นะครับ ในหน้าที่หกนะครับลำดับที่สิบสองอ่านพร้อมกันสิยาอัญเยนะปิปริยาเยนะกะถันจะสิยายังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติสับบังอินชิตปัจจยาติอายะเมกานุปั ส, สนาอินชิตานังตะเววะอาศะวิราคะนิโรธา นัตติดุขคดสะสัมพโวติอยังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาดวยตานุปัสสโนอัถาปรังเอตะดาวจะสัทธานะครับชุดที่สิบสองถ้ามีคนถามว่ายังมีแง่มุมอื่นอีกไหมก็พึงตอบเขาว่ามีมีอย่างไรตอบว่า ยังกินจิทุก ข, ขังสัมโพติสับบังอินชิตปัจจญาติอยเมกานุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอินชิตาเป็นปัจจัยนี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งอินชิตาคือความหวันไหวนะรู้จักวันไหวไหมใจมันวันไหวไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้ทึ่งกับเรื่องนั้นทึ่งกับเรื่องนี้ ไหวไปทางนั้นไหวไปทางนี้ใจมันวันไหวเรียกว่าอินชิตะนะครับฉะนั้นบางคนเขาไม่ชอบอินชิตะบางทีเขาก็นู่นไปอยู่อรูปดูมันไม่หวันไหวดีแท้ที่จริงมันก็ไหวไปข้างหนึ่งเหมือนกันทํานองนี้ที่จะไม่วันไหวได้จริงๆก็เป็นพระนิพพานอีกเหมือนกันนะครับอินชิตะแปลว่าวันไหวที่มันวันไหวได้ก็เพราะว่า จิตใจยังมีกิเลสมีตัณหามานะทิฐิมีกิเลสนั้นกิเลสนี้มากมายมันก็วันไหวไปคนละแบบสองแบบแล้วแต่ว่าไหวแบบกิเลสไหนท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตจิตใจดูนะถ้ายังมีจิตใจที่วันไหวไปทางนั้นทางนี้ไหวไ ป, ไปนั่นไปนี่ก็ให้รู้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นก็เกิดเพราะอันนี้อันนี้แหละเป็นปัจจัยที่ไห ว, ไวนี่แหละนะถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อีกก็ พระนิพพานนะจะทําให้เลิกวันไหวถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานจะเลิกวันไหวได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานแล้วจิตใจวันไหวก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาไปของคนที่ยังไม่เห็นพระนิพพานนะครับไม่ใช่ยังไม่เห็นพระนิพพานก็แม้จะทํำยังไงให้ไม่วันไหวอย่างนี้มนุษย์เกินคนไปแล้วมันไม่รู้เรื่องกันแล้วอย่างเนี้ยนะทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้น ทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะความวันไหวเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่หนึ่งอัญชิตานังตเววะอาเสสะวิราคะนิโรธานัติดุขคัสสะสัมโวติอายังดุติยานุปัสนาเพราะการดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอัญชิตะนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุก ย่อมไม่มีดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองนะการดับสนิทไปของความหวั่นไหวอันนี้นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังไปแล้วจะดับสนิทไปที่พระนิพพานนะพระนิพพานเป็นที่ดับของทุกสิ่งทุกอย่างนะความเกิดก็ดับที่นั่นความตายอะไรทุกอย่างก็หมดที่นั่นแหละอย่างนี้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่น เวลาพูดอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายก็แมหมคงน่ากลัวมากอันนี้เป็นพวกติดข้องในกองทุกข์ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นิพพานดับทุกข์แต่ไม่ได้ดับอันอื่นนะดับแต่ทุกข์อย่างเดียว <c oughs> บางคนโอ้นิพพานดับหมดเลยมันไม่ได้นับบทเขาดับเฉพาะทุกข์ทั้งหมดเข้าใจไหมดับทั้งหมดอยู่แต่เฉพาะทั้งหมดที่เป็นทุกข์นะแล้วที่ไม่ใช่ทุกข์ล่ะก็อย่าไปคิดมากนะเพราะว่า ที่คิดคิดอยู่คือนคือทุกข์นั่นแหละนะีมันก็วนเวียนนี่ฉะนั้นบางคนพอพูดว่ า, านิพพานดับทั้งหมดเฉพาะทุกข์แล้วที่ไม่ทุกข์ละ่ะแอะแอะนั่นเขาก็ว่าไปพวกคิดมากมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าที่วนเวียนวนเวียนอยู่นี่คือทุกข์นั่นแหละแม้แต่คิดนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันทํานองนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะวนเวียนจมอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดที่12นะทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดเพราะความวันไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นการพิจารณาข้างที่หนึ่งเพราะการดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งความหวันไหวนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของกองทุกขก็ย่อมไม่มีดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สอง นะครับแล้วก็สรุปก็เหมือนเดิมนะถ้ารู้จักอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนตนเองถ้าทำความเพียรโดยถูกต้องจิตใจมีความแน่วแน่ก็จะสามารถหวังผลได้สองอย่างคือเป็นพระอรหันในชาติปัจจุบันหรือถ้ายังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถาในบาลีข้อ เจ็กับ757อา่านพร้อมกันนะครับยังกินจิดุกขังสัมโพติสับบงอินชิตปัจจะยาอินชิตานังนิโรเทนะนัตติดุกขัดสะสัมพโวเอตมาดีนวังยัตตวาดุกขังอินชิตปัจจยาตัดสมาหิเอสังโวสัชฌะ สังขารอุปรุณที่เยอุปรุณทิยะนะอะเนโชอนุปาดานโอสตุพิขุปริบะเชติบาลีข้อ756ยังกินจิดุขขังสัมโพติสับบางอินชิตปัจจยาอินชิตานังนิโรเทนะนัตติดุขคัสะสัมภโว ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอินชิตะเป็นปัจจัยเพราะความหวันไหวนะเป็นปัจจัยเพราะความดับสนิทไปของอินชิตะคือความวันไหวความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีบาลีข้อ757เอตามาดีนวังยัตวาทุก ข, ขังอินชิตะปัจจญา ตัสมาหิเอชังโวตสัตชะสังขารเรอุปรุณทิยะอเนโชอนุปาดาโนสโตภิกขุปริประเชบุคคลรู้จักโทษอันนั้นแล้วคือทุกเกิดเพราะความวันไหวเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นแหละเขาสละความวันไหวนั้นได้แล้ว ดับได้แล้วซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่ถือมั่นเป็นภิกษุที่มีสติพ้นไปแล้วโวสัชชะแปลว่าสละแล้วเอชังซึ่งความหวั่นไหวนั้นอุปรุณทิยะแปลว่าดับแล้วดับแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายอนเนโชเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอนุ ป, ปาดาน เป็นผู้ไม่ถือมั่นสโตเป็นผู้มีสติภิกษุก็เป็นภิกษุนะปริพัชเชพ้นไปแล้วหลีกไปแล้วทิ้งไปแล้วอันนี้ก็เป็นชุดที่สิบสองต่อไปชุดที่สิบสามอ่านพร้อมกันสิยาอันเยนาปิปริยาเยนะกะถันจะสิยานิสิตัสสะ จริตังโหตีติอายเมกานุปัสนาอณิสิตโตจจาลาตีติอยังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาตวยตานุปัสสโนอถาปรังเอตัดโวจะสัทธาถ้ามีคนเขาถามว่ายังมีแง่มุมอื่นอีกไหมมีมุมมองอื่นอีกไหมมีปริยายอื่นอีกไหม ก็ควรตอบเขาว่ามีอยู่มีอยู่อย่างไรควรตอบว่านิสิตัสสะจริตังโหติติอายเมกาโนปัสนาเมื่อบุคคลยังดิ้นรนอยู่เมื่อบุคคลยังอิงอาศัยอยู่ความดิ้นรนก็ย่อมมีขึ้นดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่หนึ่งนิสิตัสสะแปลว่าอิงอาศัย อิงอาศัยตันหาอิงอาศัยทิฏฐิอิงอาศัยกิเลสอิงอาศัยสิ่งนั้นอิงอาศัยสิ่งนี้เวลาอิงอาศัยนี้จะลิตังคือความเดือดร้อนก็ย่อมมีขึ้นถูกไหมถ้าเราอิงอาศัยอะไรบางอย่างอยู่มันก็จะเดือดร้อนเพราะอันนั้นอิงอาศัยความอยากได้กลัวมันจะไม่ได้เป็นไงเดือดร้อนอิงอาศัยนั่นอาศัยนี่นะแล้วแต่ นะแล้วแต่อิงอาศัยอะไรนิสิตะคือการอิงอาศัยด้วยอํานาจตันหาบ้างด้วยอํานาจทิฏฐิบ้างอย่างนี้นะครับถ้าอิงอาศัยด้วยอํานาจทิฏฐิโออันนี้ของเรานะอันนี้ของเรานะต้องเป็นของเรานะเป็นตัวเป็นตนของเรานะโอ้เดือดร้อนกลัวมันจะแตกทําลายหรือกลายเป็นอื่นไปอันนี้ก็จริตะก็เกิดขึ้น เมื่อบุคคลยังอิงอาศัยความเดือดร้อนก็ย่อมมีขึ้นดังนี้นี้เป็นข้างที่หนึ่งอนิสิโตณจะติติอยังดุติยานุปัสนาเมื่อเป็นผู้ไม่ต้องอิงอาศัยบุคคลผู้ไม่อิงอาศัยก็ย่อมไม่ดิ้นรนดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สอง นะเมื่ออิงอาศัยนะความดิ้นรนก็มีขึ้นนี้ข้างที่หนึ่งบุคคลที่ไม่อิงอาศัยก็ย่อมไม่ดิ้นรนนี้เป็นข้างที่สองท่านทั้งหลายก็ให้รู้อันนี้นะครับถ้ายังอิงอาศัยอยู่ก็ต้องดิ้นรนเป็นธรรมดานะเหมือนที่เราดิ้นกันไปดิ้นกันมาเนะี่ยเหมือนปลาในน้ําน้อยดิ้นไปก็ตายปเปล่าๆแต่ก็ขอดิ้นสักหน่อยเถิดนะมันไม่มีอะไรทนะําน่ยมันก็ดิ้นไปก่อนนะ แต่ถ้าไม่อิงอาศัยแล้วมันก็ไม่ดิน้นมันก็ไม่ดิ้นลนไม่นก็ดุกดิกรอะไรนะได้พักผ่อนแล้วสบายอันนี้เป็นข้างที่สองนะครับฉะนั้นก็ให้รู้ว่าที่เรากําลังดิ้นดิ้นอยู่ดิ้นนั่นดิ้นนี่ทํานั่นทํานี่แล้วดิ้นไปก็จะตายปเปล่าๆทั้งๆที่รู้นี่นะก็อย่างดิ้นไปนี้ก็ให้รู้ว่าเออข้างนี้มันข้างทุกข์นะข้างไม่ดิ้นมีไหมข้างไม่ดิ้นมันก็มีนะนะทำอนองนี้ถ้าไม่อิงอาศัยมันก็เลิกดิ้นแล้วก็จบแล้ว เพะเรามาอิงอาศัยนั่นอาศัยนี่มันก็เลยดิ้นเท่านั้นเองนะครับเอวังสัมมาตวยตานุปสินโนเป็นต้นก็เหมือนเดิมแล้วก็สรุปพระองค์ก็ตรัสคาถาสองคาถาข้อ758กับ759อ่านพร้อมกันอนิสิตโตนะจะละตินิสิตโตจะอุปาดิยังอิต ทาพวัญยะถาพาวังสังสรางนาติวัตติเอตามาดีนวังยัตวานิสเยสุมหัพพยังอนิสิโตอนุปาดาโนสโตภิกขุปริภะเชติบาลีข้อดอหอนิสิโตนาจลติ นิสิโตจะอุปาไดยังอิทภ า, าวันยะถาภาวังสังสรังนาติวัตติบุคคลผู้ที่ไม่อิงอาศัยย่อมไม่ดิ้นรนอะไรนะคนที่ไม่อิงอาศัยไม่มีกิเลสไม่อิงคนนั้นไม่อิงคนนี้ไม่อิงกิเลสนั้นไม่อิงกิเลสนี้ย่อมไม่ดิ้นรนเราทั้งหลายเอาตัวตนไปอิงกับอะไรบ้างก็ดูก็แล้วกันนะ ที่มีตัวเราขึ้นมาได้มันอิงอะไรบ้างอิงโรงเรียนอิงชาว บ, บ้านอิงลูกอิงนั่นอิงนี่อิงของเราอะไรมากมายด้วยอำนาจตันหาบ้างด้วยอำนาจทิฏฐิบ้างมากมายมันก็ย่อมดิ้นรนนะครับส่วนคนไม่ต้องอิงอาศัยก็ย่อมไม่ดิ้นรนนิสิโตจะอุปาทด้ยังส่วนพวกที่อิงอาศัยย่อมถือมั่น อิทาพาวัญยถาภาวังสังสารังนาติวัจติย่อมไม่พ้นจากสังสาระซึ่งมีความเป็นอย่างนี้คือเป็นมนุษย์และความเป็นอย่างอื่นคือเป็นสัตว์อบายบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างฉะนั้นถ้ายังยิงอาศัยอยู่นะก็จะมีความถือมั่นแล้วก็ไม่พ้นจากสังสาระไปได้บาลีข้อ759ห เอตมาดีนวังยัตตวานิสเยสุมหพยังอนิสิตโตอนุปาดานสโตภิกขุปริเพเชบุคคลรู้จักโทษอันนี้แล้วคือภัยอันใหญ่หลวงของการอิงอาศัยจึงเป็นผู้ไม่อิงอาศัยไม่ถือมั่นเป็นภิกษุผู้มีสติแล้วก็ทิ้งไปนะรู้โทษอันนี้แล้วคือ ภัยใหญ่ของการอิงอาศัยมหาพยังคือภัยเป็นอันใหญ่ภัยใหญ่ภัยเป็นอันมากมหันตภัยนะภัยในการอิงอาศัยการไปอิงอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีภัยเยอะทำให้เราต้องดิ้นรนเป็นทุกข์ทรมานมากมายพอรู้อย่างนี้แล้วรู้โทษของมันแล้วก็อนิสิตโตคือไม่อิงอาศัยอนุปาาโนไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นผู้มีสติแล้วก็ทิ้งมันไปอันนี้ก็เป็นชุดที่สิบสามต่อไปชุดที่สิบสี่อ่านพร้อมกันสิยาอัญเยนะปิปริยาเยนะกะทันจะสิยารูเปหิพิกเวอรูปาสันตะตราติ อายะเมกานุปัสนาอรูเปหินิโรโธสันตะตะโรติอายังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาตวยตานุปัสสโนอถาปรังเอตนาโวจะสัตถาถ้ามีคนก็าถามว่ายังมีแง่มุมอื่นอีกไหมก็พึงตอบว่ามีอยู่ มีอยู่อย่างไรควรตอบว่ารูเปหิพิกเวอรูปาสันตตราติอเยเมกานุปสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารูปเป็นสิ่งที่ประนีตกว่ารูปทั้งหลายดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งอารูปโดยเฉพาะอารูปปชาณ น, นะอารูปปชาณเนี่ยละเอียดมากสันตตาราสงบกว่าประนีตกว่า รูเปหิกว่ารูปทั้งหลายอันนี้แบบเปรียบเทียบนะถ้าเราจะเปรียบเทียบพื้นๆก็ได้ทั่วไปนะกุศลก็ประณีตกว่าอากุศลเนาะกุศลขั้นกามก็ไม่ค่อยประณีตกุศลขั้นรูปก็ประณีตกว่ า, ากุศลขั้นกามอารูปก็ประนีตกว่ารูปอันนี้ท่านพูดแบบสูงเอาไว้เลยดักหน้าเอาไว้เลยนะตำนองนี้ก็คือรูเปหิพิกเวอรูปาสันตตราติ อายเมกานุปัสสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารูปเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่ารูปอรูปนะอรูปปชาญเนี่ยละเอียดกว่ารูปละเอียดกว่ารูปปชาญนะครับนี้เป็นการพิจารณาข้างที่หนึ่งอรูเปเ p e ิ i niroto s a n ต i taroti ayang d u t i นุปัสสนานิโรธ h คือพระนิพพานประณีตกว่าอารูป ดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองนะฉะนั้นถ้าท่านจะเปรียบเทียบก็ให้ได้ข้างที่สองเลยนะจะเปรียบเทียบข้างที่หนึ่งยังไงก็ได้น่ะอันนี้เปรียบเทียบแบบสูงสุดในแง่ทางโลกโลกแล้วคืออรูปนี้มันละเอียดประนีตกว่าสงบกว่ารูปแต่ว่านิโรธคือพระนิพพานนั้นประนีตกว่าอารูปอีกสงบกว่าอารูปดังนี้ นะก็มี2ข้างนะครับคือสรุปง่ายๆคือให้มีข้างนิพพานให้ได้ความหมายคืออย่างนั้นนะนะอย่าไปมัวอยู่ข้างหนึ่งยังไงก็เปรียบเทียบยังไงก็ให้ถึงนิพพานใหได้ความหมายคืออย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงนิพพานแล้วมันไม่พ้นทุกจริงนะครับถึงจะเปรียบเทียบว่าโอ้กุศลมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปรักกุศลอีกมันก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็วนๆอยู่ทถวนั้นแหละ จะบอกว่าแม้พรมมันดีกว่าเทวดาก็ไปหลงรักพรมอีกมันก็วนเวียนอยู่เท่านั้นนะมันไม่ได้อะไรนะครับก็ต้องเปรียบเทียบให้ถึงพระนิพพานคือนิโรธะไปอย่างในที่นี้ท่านก็เทียบขั้นสูงเอาไว้เลยก็คืออรูปนี้สงบกว่าประณีตกว่ารูปดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งนิโรธาคือพระนิพพานสงบกว่าประนีตกว่าอารูป ดังนี้นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองอันนี้จึงชื่อว่าเป็นการพิจารณาโดยถูกต้องใครพิจารณาได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ขยันประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จะสามารถบรรลุธรรมได้นะครับแล้วก็ได้ตรัสเป็นคาถาในบาลีข้อ760กับ761อ่านพร้อมกันเยจะรูปูปะคาสัตตา เยจารูปัฏฐายิโนนิโรธังอัปชานันตาอาคันตาโรปุนับปุนังอ่าปุนับพวังเยจรูเปปปริญญายะอารูเปสุอสันธิตานิโรเทเยวิมุจจันติเตชะนามจุหาญโนตินะครับอันนี้ก็ คาถาเยจะรูปูปคาสัตตาเยจอรูปัตหายิโนนิโรธังอัปชานันตาอาคันตาโรปุนัภวังสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่เข้าถึงรูปสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่เข้าถึงรูปคือพวกพรหมน่ยนะพรหมที่ใช้รูปเป็นอารมณ์แล้วก็ได้เป็นรูปประพรหมเน่ยสัตว์ทั้งหลายที่เข้าถึงรูป เยจะอรูปัฏฐายิโนหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่ไปตั้งอยู่ที่อรูปเนี่ยเป็นพวกอรูปประพรมไม่ว่าจะเป็นอากาสานัญจาจตนะวิญญาณัญจาจตนะอากินจัญญาจตนะหรือว่าเนวสัญญาณาสัญญาจตนะไปค้างเตึงอยู่ทางนู้นสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นผู้เข้าถึงรูปหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่ไปตั้งอยู่ในอรูป นิโรธังอัปชานันตาเมื่อไม่รู้จักนิโรธะคือพระนิพพานอาคันตาโรปุญญพะวังก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกนะสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่เข้าไปถึงรูปพระพรหมนะไปเกิดเป็นพระพรหมหรือว่าไปตั้งอยู่ที่อรูปเมื่อไม่รู้จักนิพพานก็ต้องอาคันตาโรคือกลับมาใหม่นะกลับมาใหม่ อุสาขึ้นไปตั้งสูงแล้วถูกกลับมาใหม่คือกลับมาที่เดิมนี่แหละที่เดิมก็นี้เนี่ยถ้าแถวเราเนี่หรือไม่ก็เป็นมดเป็นมแมลงเหมือนเดิมเนี่ยคันตาโรคือกลับมาบุญนวังเกิดใหม่อีกนะครับกลับมาเหมือนเดิมอีกความหมายคืออย่างนั้นนะอุตสายากน่า ก, กว่าจะได้เป็นพระพรหมนี่นะเป็นอรู ป, ปรพรหมก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไม่รู้จักนิโรธะคือพระนิพพานก็จะต้องกลับมาใหม่อีก เยจะรูเปปริญญายะอรูเปสุอาศันธิตานิโรเทเยวิมุจจันติเตชะนามุจจมัจจุหาิโนส่วนชนทั้งหลายเราใดรอบรู้รูปเรียบร้อยแล้วปริญญายะได้รอบรู้รอบรู้รูปรู้จักรูปประพรมแล้วว่าเป็นกองทุกชนิดหนึ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเท่านั้นอรูปสุอสันติตาแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในอรูปไม่เอาจิตไปตกอยู่ตั้งอยู่ไม่เอาใจไปยึดถืออยู่ในอรูปนิโรเทเยวิมุตจันติแล้วก็น้อมนำจิตไปในพระนิพพานไม่ติดในรูปและอรูปนะน้อมไปทางนิพพานเตชนามุต มัจจุหายิโนชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความตายสิ้นไปแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่รู้พระนิพพานนะเป็นไงกลับมาใหม่แต่ถ้าได้รู้จกักรูปแล้วก็ไม่ติดอรูปเรียบร้อยแล้วน้อมใจไปทางานิพพานชนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีมัจจุหมดไปแล้วไม่ต้องตายอีกนะมีความตายสิ้นไปแล้วเพราะว่าไม่ต้องเกิดอีกนั่นเอง อันนี้ก็ข้อที่14บสี่นะเรียนๆมาก็คงจะพอเข้าใจแล้วเนอะมันให้เห็นว่ามีอยู่สองข้างว่ากันเนอะข้างหนึ่งเป็นข้างกองทุกอะไรก็ได้ยกเรื่องอะไรมาก็ได้นะครับกองทุกมันมาอย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึงท่านเปรียบเทียบให้ดูและอีกข้างหนึ่งเป็นข้างที่พ้นจากกองทุกไปเป็นโลกุตระคือข้างพระนิพพานอย่างนี้นะครับ ต่อไปในหน้าที่7ก็เป็นชุดที่15นะอ่านพร้อมกันสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะทันจะสิยายังพิกเวสเดวกัตสะโลกัตสสะสมารกัะสะกะสะสัปรมมกัตสสะสัตสมณะพรหมณิยาปชายะ สเดวมนุสสยะอิดังสัจจันติอุปนิชายิตังตะฏฐมริยานังเอตังมุสาติยะถาภูตังสัมปัญญายะสุดิถังอายะเมกานุปัสนายังพิขเวสเดวกัสสะสเดวมนุสสยะ อิดังมุสาติอุปนิชายิตังตะดัมมะริยานังเอตังสัจจันติยะถาภูตังสั ม, มปัญญายะสุดิถังเอตัอยังตุติยานุปัสนาเอวังสัมมาตวายตานุปัสสิโนอะถาปรัง เอตดโวจะศัทธาต่อไปชุดที่สิบห้าพระองค์ก็พูดในอีกแง่มุมอื่นนะแต่ก็เหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะันจะสิยาถ้ามีคนเขาถามว่ามีแง่มุมอื่นอีกไหมก็พึงตอบเขาว่ามีอยู่มีอยู่อย่างไรก็พึงตอบเขาว่ายังพิกเวสเดวกดสะ โลกัสสะสมารกัสส ะ, ส, ะ, มม ะ, ส, ะสัพระมกัสสะสัตสมณะพรามณิยาปชาญาเสดวมนุษยายะอิดังสัจจันติอุปนิชายิตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ เพ่งเลงกันว่านี้เป็นของจริงนะสิ่งใดที่พวกชาวโลกพวกเทวดาพวกมารพวกพรหมพวกหมูสัตว์ทั้งสมณะและพรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพ่งเลงกันว่าอันนี้ของจริงอุปนิชายิตังที่อยู่บนทันที่สามของข้อที่สิบห้าเนี่ยแปลว่าเพ่งเลงหรือว่ามองดูเพ่งดู พิจารณาดูหรือว่ารู้ๆกันนะทนองนี้เพ่งจ้องว่าอันนี้มันจริงนะทานองนี้นะจริงจงจังๆนะอุ ป, ปนิชชายิตังเพ่งเล็งอิดังสัจจังว่าอันนี้จริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกชาวโลกเทวโลกมารพรมพวกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพ่งเลงกันว่านี้เป็นของจริงตะดะมริยานังเอตังมุสาติยถาภูตังสัมมปัญญะสุดิทงังสิ่งนั้นอันพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นของเท็จชาวโลกเห็นว่าเป็นของจริงชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะ ไม่ใช่ชาวโลกอย่างเดียวนะชาวโลกเทวโลกมารโลกพวกพรหมพวกหมูสัตว์สมณะพรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาเพ่งเล็งกันว่าจริงนะ่อันนั้นเขาว่าจริงแต่ว่าเราพระอริยะเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าอันนั้นเป็นเท็จนะชาวโลกเขาเห็นว่าอะไรมันจริงบ้างเขาจริงจริงอันนั้นจริงๆ อันนี้ของเขาอันโน้นของเขาของเขามันเที่ยงของเขาจริงจริงจังจังอะไรต่างๆนี่ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งนั้นพระริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั้นเป็นเท็จไม่จริงอรยเมกานุปัสนานี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งก็หมายถึงว่าความเห็นของเหล่าพระริยเจ้าทั้งหลายนี้ไม่เหมือนกับพวก คนทั้งหลายที่เป็นชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาด้วยพรหมด้วยมารด้วยสมณะและพรามทั่วไปด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระริยาเจ้าท่านไม่เห็นเหมือนอย่างนั้นฉะนั้นเราทั้งหลายเวลาจะเรียนของพระริยาเจ้าต้องรู้ว่าคนทั่วไปเห็นยังไงพระริยาเจ้าจะกลับข้างนะก็คือชนทั้งหลายนี้เห็นว่าอะไรจริงอันใดที่เขาเห็นว่าจริง พรญยาจ้าจะเห็นว่าอันนั้นอ่ะมันเท็จนะคือเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วตามที่เป็นจริงนะก็เราเห็นอะไรทั้งหลายว่าจริงบ้างอ่ะนั่นแหละพระายาจ่ย์ั้งไว้อันนั้นไม่จริงหมด่ะทำนองนี้นะอันที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละท่านจะบอกว่าจริงนะอาญะเมกาโนปัสสนานี้ข้างหนึ่งนะครับก็อะไรล่ะที่พวกชาวโลกเขาเห็นว่าเป็นจริงจังก็นามรูปขันห้าเนี่ย กายใจของเขาตัวเขานี่มีจริงๆนะอย่างนี้นะอันนั้นมีจริงๆอันนี้มีจริงๆเหมือนเราเป็นสุขแม่มันก็สุกจริงจนะเป็นทุกข์ทจริงๆริงไมจริงๆนั่นแหละพระรดาจ่าท่านบอกว่ามันเป็นเท็จไม่มีอะไรมันจริงสักอันเน่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับจะจริงอะไรนักหนาแค่เงาเงาวบๆแบมแบมเท่านั้นเองมีอะไรแต่เรานี่ก็แม้เห็นจริงๆปวดหลังจริงๆอะไรจริงๆไปหมดนี่มันต่างกันนะครับ จนกระทั่งโอ้มีเกิดจริงๆมีตายจริงๆมีพลัดพราดจริงๆมีสูญเสียไปจริงๆมีจากกันจริงๆมีเจอกันจริงๆมีไหมเอ่ยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะฉะนั้นพวกชาวโลกเทวดามารพรหมมูสัตว์สมณะพราหมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพ่งเล็งสิ่งใดว่านี้เป็นของจริงสิ่งนั้น อันพระริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นเท็จเป็นของที่ไม่จริงไม่จริงคือมันอยู่ชั่วคราวเป็นของไร้แก่นสารไร้สาระแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นแก่นสารจริงนะสุขก็สุขจริงๆรนะใช่ไหมสบายจริงๆรนะทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนะจะตายจริงๆนะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแก่นสารยังไงก็ไม่รู้แต่พระริยเจ้าท่านไม่เห็นอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรพวกนั้นเป็นของ มาแล้วก็ไปเป็นของเทศนี้เป็นข้างหนึ่งนะครับต่อไปยังพิกเวสเดวกดัสะไปเรื่อยๆจนถึงสเดวมนุษยายะอิดังมุสาติอุปนิชายิตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกมนุษย์ที่พวกชาวโลกเทวโลกมาลโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพ่งเลงกันว่านี้เป็นเทจนี้ไม่มีมันเป็นเทศมันไม่มีดัมาริยังตัดมาริยานังเอตังสัจจันติยถาภูตังสัมมบปัญญายะสุดิถังอายังดุติยานุปัสนาสิ่งนั้นอันพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นความจริง นี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองนะครับชาวโลกเขาเห็นอะไรเห็นนามเห็นรูปเป็นตัวเป็นตนเป็นของเขามีคนเกิดมีคนตายมีการเจอกันมีการพลาดพลาดมีสุขมีทุกข์มีเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงจริงไหมดูเหมือนจริงจังเหมือนกันนะมีเทวดาจริงๆมีพรหมจริงๆมีนั่นมีนี่จริงๆจังๆเหมือนกันอันนี้แต่พระริยเจ้าท่านเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเท็จ อันนี้เป็นข้างหนึ่งส่วนสิ่งใดที่พวกชาวโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกพวกหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นเพ่งเล็งกันว่าเป็นเท็จอันนี้ก็คือพระนิพพานความดับสนิทของนามรูปเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีไหมพวกเนี้พวกชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี่เขาไม่รู้จักหรอกความดับสนิทของนามรูปเพราะว่าเขารู้แต่เรื่องนามรูปว่ามันมีจริงเขาไม่รู้จัก ความดับสนิทของนามรูปว่ามันก็มีจริงด้วยเขาไม่รู้จักเลยนะเขาก็นามรูปของเขานี่แหละจริงเขาว่าอย่างี้ทั้งๆที่มันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงไร้แก่นสารมันเป็นเท็จในมุมมองของพระอริยเจ้านะครับส่วนสิ่งใดที่เขาเพ่งเล็งกันว่ามันเป็นเท็จเป็นของไม่มีเป็นของหลอกๆ ก, กันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอภิปราอะไรกันไปเนี่ยนะนองนี้ ไม่มีจริงอะไรพวกนี้นะตะดัมมะริยานาังเอตังสัจจันติยถาภูตังสัมมปัญญายะสุติตังสิ่งนั้นอันพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นของจริงนะพระนิพพานนั้นเป็นของจริงนะพระอริยเจ้าท่านเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นข้างที่สอง นะครับฉะนั้นความเห็นของพระริยเจ้ากับเหล่าชาวโลกก็ไม่เหมือนกันนะก็ให้ท่านรู้ไว้อย่างนี้นะก็คือสิ่งไหนที่ชาวโลกเขาว่าจริงพระริยเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นเท็จอันนี้ข้างหนึ่งสิ่งไหนที่ชาวโลกเขาว่ามันเป็นเท็จมันไม่มีพระริยเจ้าท่านว่ามันมีนะมันมีจริงเป็นของจริงเป็นของมีแก่นสารมีสาระนะ ถ้าชาวโลกเขาแหมสิ้นนามสิ้นรูปสิ้นยศสิ้นตําแหน่งไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คงไร้สาระน่าดูเนาะแต่พระรยาอาจารย์นั้นว่าอันนี้สาระนะสิ้นนามสิ้นรูปไม่ต้องมีสุขไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไ ม, มไม่ต้องมีนั่นไม่ต้องมีนี่ถ้าชาวโลกเขาคงว่าแหมคนนี้ไม่มีสาระเลยใช่ไหมถ้าสาระของเขาต้องได้นั่นได้นี่มาเยอะๆทานั่นทํานี่เยอะๆช่วยเหลือโลกอะไรของเขาก็ว่าไปแล้ว อันนี้นะครับความเห็นมันจึงแตกต่างกันมากอันนี้ก็สองข้างให้รู้อย่างนี้นะนะครับพวกชาวโลกก็ยึดถือเพ่งเล็งกันว่านามรูปนั้นเป็นของจริงส่วนพระริยเจ้าท่านมองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่านั้นเป็นเท็จนี้เป็นข้างหนึ่งพระนิพพานนั้นพวกชาวโลกแล้วก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาเห็นกันว่าเป็นของเท็ด เป็นของไม่จริงเป็นของไร้แก่นสารความไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือกองทุกนี่เขาไม่รู้จักแม้พูดขึ้นมาเขาก็ไม่ชอบหรือว่าไม่แม้แต่จะคิดถึงเขาบอกว่ามันเป็นเท็จแต่ว่าพระนิพพานนั้นอันพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นจริงเป็นสัจจะนะครับ เมื่อตรัส ด, ดังนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถาในบาลีข้อ762ถึง764อ่านพร้อมกันนะครับอนัตตนิอนัตตมาณีอนัตตนิอัตมาณีปัสสะโลกังสะเดวะกังนิวิถังนามรูปสเมิงอิดังสัจจันติ มัญติเยนะเยนะหิมันันติตตโตตังโหติันญาถาตันหิตัสสะมุสาโหติโมสะธรรมหิอิตรังอโมสะธรรมนิบานังตดริยาสัจโตวิดูเตเวสัจาพิสมัยา นิชชาตาปรินิพุตาติบาลีข้อ762อยนัตตนิอัตตมานีปัสสะโลกังสะเดวกังนิวิถังนามรูปัสหมิงอิดังสัจจันติมัญติเธอจงดูโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้มีความสำคัญว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่ ไม่มีตัวตนอนาตตา น, นีก็แปลว่าในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาอัตมาณีผู้มีความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนปัตสะแปลว่าจงดูจงมองดูโลกังซึ่งชาวโลกสะเดวกังพร้อมทั้งพวกเทวโลกเธอจงดูพวกชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้มีความสำคัญว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตน ผู้ยึดมั่นในนามรูปแล้วสำคัญมั่นหมายว่านี้เป็นของจริงนิวิธถังแปลว่ายึดมั่นนามรูปปัติมิงในนามและรูปมั ญ, ญติย่อมสำคัญมั่นหมายอิดังสัจจังอิติว่านี้เป็นของจริงเห็นว่านามว่ารูปนี้เป็นของจริงแขนขาเป็นของจริง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของจริงรูปเป็นของจริงนะมีจริงจริงนะเวทนามีจริงจริงนะสัญญาสังขารวิญญาณมีจริงๆนะตัวตนมีจริงจริงเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้เขายึดมั่นในนามรูปต่อไปข้อ763เยนะเยนะหิมันยันติตะโตตัง โหติอัญญาถาตันหิตัสสะมุสาโหติโมสะธรรมหิอิตรังแต่โดยความเป็นจริงชนทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยประการอย่างใดใดสิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญมั่นหมายนั้นเยนะเยนะโดยประการใดๆมันยันติย่อมสำคัญมั่นหมาย ก็พวกชาวโลกและพวกเทวดานั้นน่ะสำคัญมั่นหมายโดยประการใดๆตะโตตังโหติอัญญถาสิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญมั่นหมายนั้นเขาสาคัญว่าเทียงสิ่งนั้นเทียงไหมไม่เทียงเขาสำคัญว่าสุขสิ่งนั้นสุขไหมเขาสาคัญว่าเป็นตัวเป็นตนสิ่งนั้นเป็นตัวตนไหม ไม่เป็นตัวตนเขาสาคัญโดยประการใดๆประการไหนอีกก็ได้โอ้หน้าเอาสิ่งนั้นหน้าเอาไหมโอ้สิ่งนั้นสำคัญสาคัญไหมอะไรไอ้สำคัญสำคัญผิดหมดอะความหมายคือย่างนั้นนะเนี่ยพวกชาวโลกแล้วก็พวกชาวเทวโลกนั้นย่อมสำคัญมั่นหมายโดยประการใดๆสิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญมั่นหมายนั้น ตันหิตหตัสมุสาโหตินามรูปเพราะว่านามรูปอันนั้นของเขานั้นเป็นเทศ็ศโมสะธรรมมันหิอิตรังด้วยเหตุที่ว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของปรากฏอยู่ชั่วขณะที่ว่ามันเป็นเทศปราศจากแก่นสารนี่เป็นเพราะว่ามันมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาโมสะธรรมมัง อิตธรังมันปรากฏอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองมันจึงเป็นเท็จแต่ว่าพวกชาวโลกแล้วก็ชาวเทวโลกเขาสําคัญมั่นหมายไปทั่วแหละสาคัญว่าเป็นกัญสารแต่ความจริงมันไม่เป็นกัญสารสําคัญว่าดีแต่ความจริงมันไม่ดีสําคัญว่านั่นสําคัญว่านี่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาสําคัญนะเป็นประการอื่นจากที่เขาสําคัญนันะ้นนะนีคือสําคัญผิดนะพูดง่าย อะไรที่เขาสําคัญมั่นหมายเอาไว้ล้วนแต่ผิดๆทั้งนั้นเพราะว่าโดยความจริงแล้วนามรูปของเขานั้นเป็นเท็ดฉะนั้นตัวนามรูปนี้เป็นมูสานะเป็นของเท็จคือเป็นตัวหลอก น, นั่นเองตามผู้ในงานก็เป็นตัวเหมือนตัวเรามามาหลอกเราอะเป็นมายาของทุกมันมาหลอกถ้าใครหลงว่าแหมนี่เราเกิดมีตั ว, ม, ตวมีตัวนขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันหลอกสําเร็จไหมหลอกสําเร็จในตำนองนี่นี่ โดยความจริงแล้วนามรูปของเขานั้นเป็นเทจที่มันเป็นเทศเพราะอะไรมีเหตุผลคือโมสะธรรมมังมันมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอิตรังและปรากฏเพียงนิดหน่อยชั่วคราวนะเหมือนรุงกินน้ำมันปรากฏอยู่ชั่วคราวท่านจะบอกว่ามีรุ้งกินน้ำจริงๆแสดงว่าท่านถูกหลอกหรือยังถูกหลอกไปเรียบร้อยแล้วทานองนี้นะเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ ยึดถือนามยึดถือรูปว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของที่ยังเป็นของเราอย่างนี้เป็นตน้นทั้งๆที่มันปรากฏอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองและมันสิ้นไปเป็นธรรมดามันเป็นของเทศนะต่อไปสิ่งที่เป็นสัจจะเป็นของจริงก็มีอย่างเดียวในข้อ764อยโมสะธรรมังนิบานังตดริยาสั จ, จโตวิดูเตเวสัจจาพิสมยา นิชขาตาปรินิพุตตาส่วนพระนิพพานนั้นมีความไม่สิ้นไปเป็นธรรมดานี่จึงเป็นของเป็นแก่นสารนะ่มีจริงเพราะว่าไม่สิ้นไปเป็นธรรมดาส่วนพวออกนามรูปนั้นเป็นของเทศเพราะมันสิ้นไปเป็นธรรมดาปรากฏนิดหน่อยนิพพานไม่ใช่ของปรากฏนิดหน่อยแล้วก็ไม่ใช่ของสิ้นไปอโมสธรรมมัง มีความไม่สิ้นไปไม่เสื่อมไปเป็นธรรมดาตะดาริยาสัจโตวิทูพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ได้รู้พระนิพพานนั้นว่าเป็นสัจจะเป็นของจริงจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นแลทรงพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นแลได้รู้แจ้งสัจจะแล้วเป็นผู้หายหิวปรินิพานเรียบร้อยแล้ว สัจจาพิสมญารู้แจ้งสัจจานิชชาตาหายหิวปราศจากตัณหาแล้วก็ปรินิพพานฉะนั้นที่หายหิวปราศจากตัณหาหมดความหยาบอันนี้เป็นเพราะว่าได้รู้แจ้งพระนิพพา น, นถ้าไม่รู้แจ้งมันก็ไม่หายนะฉะนั้นหน้าที่ของท่านต้องต้องไปทําประตูพระนิพพานขึ้นมานะก็คืออริยมรตมีองค์8ประการ อันนี้เป็นข้อที่15นะครับนี่มีสองข้างอย่างนี้นะสข้างนะครับข้างหนึ่งก็คือพวกชาวโลกและเทวโลกนั้นเขาเห็นว่าสิ่งใดเป็นจริงในมุมมองของพระริยเจ้าที่ท่านเห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นเป็นเท็จอันนี้ข้างหนึ่งพวกชาวโลกเขาเห็นสิ่งใดว่าเป็นเท็จคือไม่มีหรือว่าไม่น่าเอานั่นแนหะพระริยเจ้าท่านเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นจริงนี้เป็นข้างที่สองนะก็ต่างกันพวกชาวโลกเขาเห็นว่านามรูปเป็นจริงแต่พระอริยเจ้าเห็นว่านามรูปเป็นเท็จพวกชาวโลกเขาไม่เห็นพระนิพพานนะเห็นว่าพระนิพพานนั้นเป็นเท็จไม่จริงพระอริยเจ้าเห็นว่าพระนิพพานนั้นจริงอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่16อ่านพร้อมกันสิยาอันเยนาปิ ปาริยาเยนะสัมมาตวยตานุปัสนาติอิติเจพิกเวปุจิตาโรอัสุสิยาติสุวจนียากะันจะสิยายังพิกเวสเดวกัตสะโลกัตสะสมารกัตสะสัรมมกัตสะ สัตสมาณพรหมณิยาปชายะสเดวมนุษยะอิดังสุขันติอุปนิชายิตังตดมริยานังเอตังดุขันติยะถาภูตังสัมมปัญญายสุดิถังอายเมีกานุปัสนายังพิขเวสเดวกัสะ โลกัสะสะเดวมนุสสายะอิดังลุขันติอุปนิชายิตังตัตมะริยานังเอตังสุขันติยถาภูตังสั ม, มปัญญายะสุดิถังอายังตุติยานุปัสนาเอวังสัมมาตวยตานุปัสสโนโขภิกเว พิคุโนอปมัตตัสสะอาตาปิโนปหิตตัสสะวิหรโตดวินนางพลานังอัญญตระังพลังปาติกังขังดิเทวะธรรมเมอัญญาสติวาอุปาดิเสเสอนาคามิตาติต่อไป ลำดับที่16นะซึ่งเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะสัมมาทวยตานุปัสนาติอิติเจพิกเวปุจิตาโรอัสุดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าพึงมีชนทั้งหลายถามดังนี้ว่าการพิจารณาว่าธรรมะมีสองข้างโดยถูกต้องในแง่มุมอื่นยังมีอีกไหม ดังนี้สิยาติดสุวัจณียาก็พึงตอบเขาว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่ากันจะสิยามีอย่างไรเล่าก็พึงตอบเขาดังต่อไปนี้ยังพิกเวสเดวกัตสะโลกัตสสมารกตสะ ส, ะรระกสะสัปรมกัตสะสัตสมณผรามณิยาปชายะสะเดวมนุษยยะอิดังสุขขันติอุปนิชายิตัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกพวกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพ่งเล็งกันบอกว่านี้เป็นสุขนะสิ่งใดที่พวกชาวโลกเขาบอกว่าอันนี้มันสุขนะดูรูปสว ย, สว ย, นนส ย, นยๆนี่เป็นสุขหมมีเงินเยอะๆนี่เป็นสุขไหมนอนสบายๆตีพุงนี่เป็นสุขหม กินอาหารอร่อยนี้เป็นสุขไหมอะไรก็ได้นะแล้วแต่เขาจะคิดเป็นเทวดาเชี่ยวชมสวนอันธวันเป็นสุขไหมนั่งสมาธิเงียบเงียบสงบเป็นสุขอะไรเขาว่าไปะแล้วแต่เขาจะเพ่งเล็งอะไรเธอแล้วแต่เขาเธอสิ่งใดที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกพวกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพ่งเล็งกันว่านี้เป็นสุข ตะดามาริยานังเอตังลุขันติยะถาภูตังสั ม, มปัญญายะสุดิถังอะเมกานุปัสนาสิ่งนั้นอันพระริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นทุกข์อะไรที่เขาเพ่งเลงว่าเป็นสุขทั้งหมดนั่นแหะเขาเพ่งเลงเอาเองนะนึกเดาเอาเองจดจ้องต้องการเอาเองสาคัญเอาเอง แต่พระริยเจ้านั้นท่านเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นทุกนี้เป็นการพิจารณาข้างหนึ่งยังพิกเวสเดวะกัตสโลกัตสะจนถึงสเดวะมนุษยายะอิดังดุขขันติอุปนิชายิตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลกพวกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหม์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพิ้งเล็งกันว่านี้เป็นทุกข์ไม่ได้รูรูป ส, สวยๆนี่มันทุกข์นะไม่มีเงินนี่ทุกข์นะใจไม่สงบนี่ทุกข์นะอะไรอีกเพียบเลยนะแล้วแต่เขาจะเพิ้งเลงอ่ะอันนี้เป็นทุกข์นะไม่ได้กินของอร่อยนี่มันทุกข์นะอ่าไม่ได้อยาก ไม่ได้ทำอะไรตามต้องการนี่มันทุกข์นะไม่มีเงินนี่มันทุกข์นะไม่เหลืออะไรนี่มันทุกข์นะไม่มีอนาคตนี่มันทุกข์นะไม่ได้ดังหวังนี่มันทุกข์นะอะไรก็ว่าไปสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันทุกข์นะไม่เหลืออะไรเลยนี่มันทุกข์นะเขาว่าอย่างนี้ไปนะแต่ดัมมาริยานางเอตังสุขันติยถาภูตังสัมมัปปัญญายะสุติถังอยังตุติยานุปัสนา แต่ว่าสิ่งนั้นอันพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นสุขไม่ได้เห็นของสวยนี่เป็นสุขนะนะไม่ต้องเห็นนะพระนิพพานนี้ไม่ต้องเห็นของสวยนะไม่ต้องกินของอร่อยนี่เป็นสุขนะสูญเสียทุกทีทุกอย่างไม่ต้องเหลืออะไรสักอย่างเดียวเป็นสุขนะท่านเห็นอย่างนี้แต่ว่าพวกชาวโลกเขาคิดออกไหม ไม่เหลืออะไรเลยคงจะเป็นทุกข์แย่เต็มทีแล้วนะไม่เหลือแม้กระทั่งนามทั้งรูปนะไม่เหลือเงินทองไม่เหลืออะไรสักอย่างเรียวซื่อเสียงอะไรต่างๆเขาคิดว่าคงเป็นทุกข์มากทีเดียวแต่ว่าพระรยเจ้าท่านเห็นว่าอันนั้นเป็นสุขตรงข้ามกันนะอันนี้เป็นการพิจารณาข้างที่สองนะครับฉะนั้นพวกชาวโลกเขาเห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่ดีๆหรือว่าอะไรต่างๆที่ดีๆนี่ เขาเพ่งเล็งกันว่ามีอันนี้อันนี้แล้วจะเป็นสุขได้ดูอันนี้นี่แล้วจะเป็นสุขได้เสเวยอันนี้อันนี้แล้วจะเป็นสุขของเขาอย่างนี้พระย aja ท่านเห็นว่าอันนั้นเป็นทุกข์การไม่ต้องมาได้ดูได้เสวยหรือว่าการหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปนี้เป็นสุขแต่ชาวโลกเขาเห็นว่าการหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปนี้มันทุกข์นะหมดสิ้นแม้กระทั่งตัวเขาไปไงไม่ต้องพูดถึงหมดสิ้นทรัพย์สินเลยนะ แค่หมดสิน้นทรัพย์สินเขาก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วแต่นี่หมดสิ้นแม้กระทั่งนามทั้งรูปแม้กระทั่งตัวเขาด้วยจะทุกข์หนักสําหรับเขามากไหมแหมทุกข์หนักสําหรับเขามากทํานองนี้นะแต่ว่าพระริยเจ้าท่านบอกว่าโอ้สูญสิ้นทุกอย่างรวมทั้งกระทั่งตัวตนนี่นะมันเป็นสุขนี่นะท่านเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งไหนที่ชาวโลกเขาว่าเป็นสุขพระริยเจ้าท่านเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งไหนที่พระริยเจ้า สิ่งไหนที่ชาวโลกเขาเห็นว่าเป็นทุกข์พระรัยเจ้าท่านเห็นว่าเป็นสุขมันตรงข้ามกันอย่างนี้นะครับเอวังสัมมาทวยยานุปัสสิโนโขพิกคเวพิคุโนอัปมัตตัสสะอาตาปิโนปหิตตัสสะวิหระโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้ตามดูว่าธรรมะ มีอยู่สองข้างโดยถูกต้องอย่างนี้แหละเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ดวินนางพลานังอัญญตาังพลังปาติกังขังก็พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการคือดิเทวะธรรมอัญญาสติวาอุปาดิเสเสอนาคามิตาอันที่หนึ่งคือ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีอย่างนี้นะอันนี้ถ้าพิจารณาให้เห็นโดยถูกต้องนะครับมองให้เห็นโดยถูกต้องอย่างนี้ก็จะสามารถหวังได้ถ้าเป็นคนไม่ประมาทมีความเพียร น, นะฉะนั้นถ้าเข้าใจถูกแล้วก็ยังเหลืออยู่คือ ความเพียรท่านต้องทำเอาเองนะทีนี้สามารถหวังได้ถ้าเข้าใจถูกต้องมีความเพียร น, นะครับอันนี้นะฉะนั้นในบาลีข้อในลำดับที่เป็นการพิจารณาธรรมะว่ามีสองข้างในลำดับที่15กับสินี้แสดงความต่างระหว่างมุมมองของพวกชาวโลกกับความเห็นของพระอริยเจ้ามุมมองของพวกชาวโลกที่เห็นว่าจริงพระอริยเจ้าเห็นวัท็ะ อีกอันหนึ่งข้อ16ก็มุมมองของพวกปุถุชนเห็นว่าสุขท่านเห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยตรงข้ามกันแบบสิ้นเชิงทีเดียวเหมือนกับหน้ามือหลังมือทีเดียวคนละข้างกันเลยทีเดียวทํานองนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะได้รู้เอาไว้นะว่ามีอยู่สองข้างฉะนั้นเวลาที่ชนทั้งหลายเขาเห็นว่าอะไรน่าใคล้หน้าพอใจเราก็จะได้รู้ว่า โอ้ oh, อันนั้นพระย่าเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจอะไรเลยเห็นไหมมันต่างกันนะถ้าชาวโลกเขาเห็นว่าการได้ทรัพสมบัติได้พวกทรัพย์คือสิ่งน่าใคร่หน้าพอใจพริยาเจ้าท่านเห็นว่าอะไรไม่ได้น่าพอใจกว่าเยอะทํานองนีนะ้ตรงข้ามกันเลยน่าจะได้รู้เอาไว้นะครับต่อไปก็เป็นคาถานะครับในหน้าที่8ดนะ ในหน้าที่แปดพระองค์ก็ตรัสหลายคาถาด้วยกันก็เป็นสรุปในตอนท้ายแล้วอ่านพร้อมกันรูปสัส ด, ดาคันธารสาผัสสาธรรมมาจะเกวลาอิทถากันตามนาปาจะยาวตัตถิติวุจติสเดวกัสโลกัสเอเตวสุขสัมมาตา ยัตถเจเตนิรุชชนติตังเนสังทุกขสัมมตังสุขันตินิธมาริเยหิสกายสุปโรทหนังปัจจีกามิดังโหติสัพวาโลเกณปัตสตัง ah ยังปเรสุขโตอาหุตดริยาอาหุทุกขโต ยังปเรดุขโตอาหุตะดะริยาสุขโตวิถูปัสสะธรรมังดุราชานังสัมปะมูละเหรหัตทะอะวิทัสสุนิวุตานังตะโมโหติอันทกาโรอปัสตังสะตัญจะวิวตังโหติ อาโลโกโปัสตามิวะสันติเกณะวิชานันติมคาธรร ม, มั ส, สโกวิดาภวะราคะเปรเติหิภาวะโสตานุสาริพิมารเทยานุปันเนหินายังธรรมโมสุสัมบุธโทโกนุนัญญตระอริเยหิ ปัจังสัมพุทุมาระหติยังปะดังสัมมาดัญญายะปะริณิปันติอนาสวาตินะอันนี้ก็จบพระสูตรนี้แล้วนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงจิตของภิกษุทั้งหลายประมาณ60รูปก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น นะก็คือตรัดประสูตรนี้จบแล้วก็มีหลักฐานว่าได้บรรลุในที่นั่งนั้นแหละหกสรูปโดยประมาณนะเราทั้งหลายฟังแล้วไม่รู้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแหละแต่ว่าอันนี้ในสูตรนี้มีหลักฐานหรือว่าบอกเอาไว้ว่าฟังแล้วบรรลุเลยในที่นั่งนั้นนั่นแหละนะครับฉะนั้นธรรมะต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญมากนะถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติแล้วก็ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทเจริญสมถาวิปัสนาอยู่เสมอเมื่อมาฟังธรรมะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จิตจะหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้อย่างนี้นะต่อไปในบาลีข้อ765าพระองค์ก็กล่าวเป็นคาถาสรุปความของบาลีข้ อ, อเป็นสรุปความของ การพิจารณาธรรมะให้เห็นว่ามีสองข้างในลำดับที่16หัวข้อที่16บหกนะนรูปัท ด, ดาคันธารสาผัสสะธรรมาจเกวลาอิฐากันตามนาปาจะยาวัตัดถีติวุจติรูปทั้งหลายเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายผัสสะทั้งหลายแล้วก็ธรรมะที่รับรู้ได้ทางใจทั้งหลาย ที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจโดยส่วนเดียวอันบุคคลกล่าวไว้ว่ามีประมาณเท่าใดนอิฐาหน้าปรารถนากันตาหน้าใคร่มนาปาหน้าพอใจเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะแล้วก็ธรรมารมที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเขากล่าวกันว่ามีประมาณเท่าใด สเดวกัตสโลกัสเเอเตโวสุขสัมมาตาพวกชาวโลกและก็เทวโลกสมมุติสิ่งเหรานั้นว่าเป็นความสุขสุขสัมมาตาสมมุติกันหรือว่ารู้กันยึดถือกันว่าอันนั้นเน่เป็นความสุขรูปสวยๆเนอะรูปที่หน้าใคร่หน้าพอใจมันก็เป็นความสุขก็ถูกของเขานะพวกชาวโลกและเทวโลก แล้วก็ทำมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็สมมุติว่าเป็นความสุขยัตตเจเ ต, เตนิรุชันติตังเนสังดุกขะสัมมาตังส่วนหากว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่น่าพอใจทั้งหลายเหล่านั้นดับไปในที่ใดหมดไปในที่ใดที่นั่นเขาสมมุติกันว่าเป็นทุกข์นะที่นั่น เป็นทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นหมดรูป ส, สวยๆเป็นไงหมดเสียงเพราะๆหมดธรรมารมณ์ดีๆโอ้เป็นทุกข์ <c oughs> ที่หมดธรรมารมดีๆก็คือพระนิพพานนั่นแหละหมดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาสมมุติกันว่าเป็นทุกข์นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือได้อะไรดีๆมาก็เป็นสุขถ้าหมดไปก็เป็นทุกข์แต่จริงๆตรงกันข้ามนะหมดไปนี้ เป็นสุหมดจริงๆยิ่งสุขใหญ่คือพระนิพพานอย่างนี้กลับข้างกันไหมนะกลับข้างกับเราชาวโลกและเทวโลกกันนะเขาสมมุติอะไรก็ไปทั่วแหละต่อไปสุขันติดิทฐะมะริเยหิสักกายัสุปะโรธนังส่วนการดับสนิทไปของสักกายะ อันพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นว่าเป็นความสุขสักกายัสุปรโรธนังความดับไปของสักกายะดับไปของนามของรูปที่เราเคยยึดถือว่าเป็นตัวตนนี้พระอริยเจ้าท่านเห็นว่าเป็นความสุขดับสักกายดับทั้งนามทั้งรูปกายใจที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนนี้ไม่ต้องพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะและธรรมารมนะขนาดกายกับใจยังดับไปเลยใช่ไห อันพวกนั้นก็หมดเลยหมดหมดรียบเลยนะพระเดียะเจ้าท่านเห็นเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นสุขปัจจมิปัจจณีกะมิดังโหติสัพพะโลเกนะปัสตังอันนี้เป็นความเห็นที่ขัดแย้งกับพวกชาวโลกเขาเห็นกันขัดแย้งกันเป็นอย่างมากยังประเรสุขโตอาหุตะดะริยาอาหุทุกโต ชนทั้งหลายเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุขพระริยเจ้ากล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ยังปะเรทุกัโตอาหุแต่ดาริยาสุกโตวิดูชนทั้งหลายเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์พระริยเจ้ารู้สิ่งนั้นว่าเป็นสุขเนี่ยเห็นไหชนทั้งหลายเหล่าใดกล่าวสิ่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์ กล่าวความหมดไปของสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นทุกข์พระริยเจ้าท่านรู้จากความหมดไปของนามของรูปนั้นว่าเป็นสุขปัสสะธรรมังดุราช า, างสัมปะมูและเหตุะอวิทสุนิวตานางังตโมโหติอันทกาโรอปัสตังเธอจงดูธรรมะที่รู้ได้โดยยาก อันคนที่หลงไม่สามารถรู้แจ้งในพระนิพพานนี้ปัตสัแปลว่าจงดูธรรมังก็ธรรมะดุราชาหนังที่รู้ได้ยากคือพระนิพพานนี้แหละสัมปะมูละเหตุะอวิทธสุอวิทัสุก็แปลว่าไม่รู้ไม่รู้แจ้งสัมปะมูละหะก็แปลว่าคนหลงเหตุะก็แปลว่าในนิพพานนี้ คนหลงย่อมไม่รู้แจ้งในนิพานนี้ไม่รู้เรื่องนิพานนิวตานังตโมโหติความมืดย่อมมีแก่ผู้ถูกหุ้มหอ่อถูกนิวรหุ้มหอ่ออันทกาารอปัสตังเหมือนความมืดปรากฏแก่ผู้มองไม่เห็นฉะนั้นแหละคนไม่เห็นพระนิพานนี้นะมันมืดไปหมดมองไม่เห็นถูกนิวรน ถูกกิเลสต่างๆหุ้มหอ่อเหมือนกับความมืดปรากฏแก่ผู้มองไม่เห็นคนมองไม่เห็นมันมืดไปหมดใช่ไหมมีแต่ความมืดเท่านั้นที่ปรากฏแก่เขาสตันจะวิวตัตังโหติอาโลโกปัสตามิวะส่วนพระนิพพานคือวิวัตะนี่นะพระนิพพานเป็นของปรากฏแจ่มแจ้งแกเ่เราสัตบุรุษ เหมือนกับว่าแสงสว่างปรากฏแก่ผู้เห็นอยู่พระนิพพานนี้ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งแก่เหล่าสัตว์บุรุษผ um, ู้ที่มีปัญญามีวิชาอุปมาเหมือนกับว่าแสงสว่างนั้นปรากฏแก่ผู้เห็นอยู่อย่างดาวนี่เห็นไหมตอนนี้สว่างไหมมองดูแสงสว่างปรากฏแก่ผู้เห็นอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นพระนิพพานก็ปรากฏแก่เหล่าสัตว์บุรุษชั้นนั้นเหมือนกันนะ สันติเกณะวิชานันติมักคารรมัตสโกวิทาผู้สแสวงหาหนทางแต่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมไม่รู้แจ้งพระนิพพานที่อยู่ใกล้ๆมักคาแปลว่าผู้สแสวงหาหนทางธรรมัตสโกวิทาแต่ว่าไม่ฉลาดในธรรมณนะวิชานันติย่อมไม่รู้แจ้งสันติเกพระวิพานซึ่งอยู่ใกล้ๆ คำว่าอยู่ใกล้ๆนี้ดูเหมือนใกล้ๆเราใช่สันติเกณนี่หมายถึงอยู่กับเราเองอยู่อยู่แล้วอยู่กับตัวเองอยู่ใกล้ๆตัวเองอันนี้ผู้แสวงหาหนทางที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมไม่รู้แจ้งพระนิพพานที่อยู่ใกล้ๆมีอยู่ใกล้ๆนะแต่ถ้าฉลาดในธรรมก็จะมองเห็นดูประมาณเหมือนกับว่าแสงสว่างปรากฏแก่ผู้เห็นอยู่ฉะนั้นอย่างนี้นะ ดังพวกที่สแสวงหานิพพานแต่ว่าไม่ฉลาดในธรรมะนะก็ย่อมไม่รู้แจ้งพระนิพพานแม้จะมีอยู่ ใ, ใกล้ๆนั่นแหละเขาไปหาไกลเกินไปใช่ไหมหาไปเรื <diffusion> ่อยนะเพราะวราคปเรเตหิภพาะวโสตานุสาริพิมาระมารทยานุปันเนหินายังธรรมโมสุสัมบุโท ธรรมะอันนี้คือพระนิพพานนั่นแหละอันชนทั้งหลายผู้ถูกความกำหนัดในภพคอบงำผู้แล่นไปตามกระแสของภพผู้ถูกบ่วงแห่งมารคล้องเอาไว้แล้วไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายเพราะวาราฆเปรเเติหิถูกความกำหนัดอยากได้ในภพครอบงำพราะวะโสตานุสาริภิผู้แล่นไปตามกระแสของภพ เล่นไปตามกิเลสตัณหาต่างๆมาระเทยานุปันเนหิผู้ถูกบ่วงมานคล้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วธรรมะอันนี้นะคือพระนิพพานเนี่ยอันชนทั้งหลายผู้กำหนัดในภพผู้เล่นไปตามกระแสของภพผู้ถูกบ่วงมาครคล้องเอาไว้แล้วไม่ใช่จะรู้ได้โดยง่ายๆรู้ไม่ได้นะพวกนี้นะครับโกนุ อัญญตระอริเยหิปดังสัมบุธุมรหติยังปดังสัมมดัญญายะปรินิพันติานาสวะใครเล่าเว้นจากพระอริยเจ้าทั้งหลายสมควรที่จะตรัสรู้บทอันนี้ซึ่งเป็นบทที่ผู้รู้แล้วจะปรินิพานปราศจากอาสวะทั้งหลาย ก็จบแล้วนะใครละ่ะที่สมควรจะรู้ไม่มีนอกจากพระอริยะทั้งหลายนะซึ่งรู้แล้วก็จะปรินิพานแล้วก็เป็นผู้สิ้นอาสวะไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาสรุปธรรมะที่พึงพิจารณาหรือว่าตามรู้ให้เห็นว่ามีอยู่สองข้างในข้อที่16แล้วก็จบแล้ว พอจบแล้วภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคในขณะที่พระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตรนี้อยู่จิตของภิกษุทั้งหลายประมาณ60รูป ก, ก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จบตวยตานุปัสนาสูตรที่12นะครับอันนี้สำหรับในคาแปลก็จะมีบอก ลักษณะหรือว่าบอกธรรมะทั้ง16ประการเอาไว้แบบย่อๆในหน้าที่19นะท่านลองไปเปิดๆ ด, ดนะูมีอะไรบ้างนะก็คือที่ให้พิจารณามองดูให้เห็นเป็นคู่ๆนะมี16ชุดด้วยกันนะครับจริงๆเราเข้าใจอันไหนได้ก็เข้าใจอันนั้นอันเดียวก็ได้เหมือนกันก็คือเป็นอันเดียวกันนั่นแหละพูดง่ายๆนะเป็นคู่ๆหนึ่งเป็นโลกิยะ ข้างหนึ่งเป็นโลกิยะข้างหนึ่งเป็นโลกุตระข้างหนึ่งเป็นทุกข์ข้างหนึ่งเป็นผลทุกข์ดังนี้เป็นต้นนะครับนะนนี้ทวยตานุปัสนาสูตรก็มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเพื่อให้รู้จกักธรรมะทั้งหลายที่มีอยู่สองข้างตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่มีแต่เรื่องทุกข์นะมีเรื่องผลทุกข์ด้วยไม่ใช่มีแต่เรื่องเกิดมีเรื่องไม่เกิดด้วยไม่ใช่มีแต่เรื่องแก่ เรื่องเจ็บเรื่องตายมีเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยอย่างนี้แล้วก็บอกถึงความต่างมุมมองของพวกบุตุชนกับความเห็นของพระอริยเจ้าซึ่งตรงกันข้ามทํานองนี้นะครับเอาละวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน